อาตมารู้จักกับผู้ที่เสพยาและเคยเสพยาหลายคนที่มาบวชในวัดก็เยอะอนคนเหล่านี้เนี่ยนะเขามีความปรารถนาที่จะเลิกยาเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้ช่วยคนเลยแต่ว่าเขาก็พ่ายแพ้นะต่อลิธิ์ยาคนเหล่านี้เนี่ยนะและวาตมาช่วยโยมเนี่ย ก็มีการต่อสู้ข้างในและบางครั้งก็รู้สึกว่าสู้ไม่ได้นะยอมแพ้ไปเถอะชีวิตนี้เนี่ยเราหมดหวังแนละ้วอยากจะให้กำลังใจโยมนะว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยทำทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจนะ กำลังใจเนี่ยของเราเนี่ยมันจะช่วยทําให้เนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถจะเอาชนะยาได้แม้ว่ามันจะมีเสียงมันจะมีการเรีย ก, ร, ยกร้องภายในที่ทําให้กระหาอยากจะเข้าไปหามันแต่ว่าให้เชื่อเถอว่าเนี่ยคนทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะเอาชนะมันได้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งนะอย่าเห็นแก่ ความทุกข์เฉพาะหน้าเพราะว่าตอนที่เลิกใหม่ๆเนี่ยมันจะทรมานมากไอ้ความทรมานเนี่ยม่ทําให้หลายคนเนี่ยกลับไปหายาใหม่แต่ถ้ายอมอดทนนะ ย, ยอมต่อสู้กับมันแม้จะเจ็บปวดอย่างไรก็ไม่ยอมท้อถอยอในที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถเอาชนะมันได้แต่ว่าการเอาชนะมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะชนะเด็ดขาดนะ กาอ่อนเมื่อไหร่มันก็เข้ามาคร่อบงำจิตก็ต้องเข้มแข็งต้องมีสติแรกที่ทำมาคือต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะพยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะพยายามห่างกายจากเพื่อนที่ชิญชวนให้เราติดยาหลายคนเนี่ยเสพยาเพราะต้องการการอยอมรับจากเพื่อนเพื่อนเขามีบุญคุณกับเรานะเขาเชิญชวนให้เราเสพยาเราก็ใจอ่อนเพราะถ้าเราไม่ทำเขาไม่ทําตามใจเขาเขาก็ไม่ยอมรับเราเราก็ไม่มีพวก แต่เชื่อเถอว่าเนี่ยคุณจะมีเพื่อนมากมายนะที่พร้อมจะต้อนรับคุณนะบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นต้องใจแข็งบางครั้งจะเป็นต้องหันหลังให้กับคนเหล่านี้นะถ้าคุณมีซิมนะบางทีาต้องเปลี่ยนซิมด้ซ้ำเพื่อว่าเขาจะติดต่อคุณไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะตัดญาติขา้กับเขาแต่ว่าต้องขอวางระยะห่างจากเขาชั่วคราวหันมาอยู่สิงวล้อมใหม่หันมาคบเพื่อนใหม่ นะและอย่าไปคิดว่าคุณไม่มีดีแล้วนะถ้าคุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะสามารถสร้างสารรค์ความดีสามารถที่จะสร้างชุดใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมีคนที่ยังอยากจะต้อนรับคุณจริงใจกับคุณอยู่มากมายเพียงแต่คุณอาจจะไม่รู้จักเขานะให้โอกาสเขาที่จะช่วยเหลือคุณนะแล้วก็คะนกันต้องอดทนบาง ครงอาจจะเจอคนที่เขาไม่เข้าใจคุณก็ต้องอดทนอย่าให้ความรู้สึกลบของเขามันทำให้คุณท้อแท้เขาจะมองคุณอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของเขาสิ่อมาคือคุณต้องมั่นใจในตัวคุณจะต้องเชื่อในศักยภาพของคุณและเชื่อต้องเชื่อได้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องสร้างด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ปล่อยให้ชื่อคุณเนี่ยอยู่ในบงการของสายตาคนอื่น เขาจะมองคุณอย่างไรเหยียดย้ำคุณอย่างไรเป็นเรื่องของเขาอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะมั่นใจในตัวเองแล้วคุณจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้มีหลายคนเนี่ยที่เขามีชีวิตใหม่ที่เป็นสุขสําเร็จเพราะเขาเข้มแข็งพอเพราะเขาไม่แคร์สายตาคนอื่นแล้วถ้าคุณเข้มแข็งคุณประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งเขาจะมาะก้มหัวให้คุณนะเพราะชีวิตเนี่ยอยู่ในมือคุณนะ อย่าปล่อยช่วยคุณอยู่ในกำมือของคนอื่นนะก็อยากจะฝากอันนี้เอาไว้นะให้ให้พวกคุณได้ตระหนักว่ามีโอกาสที่จะสร้างชิตใหม่อย่าท้อแท้เข้มแข็งมั่นคงแล้วชวิตคุณก็จะนะพบกวับความสุขและความสาเร็จในที่สุด